ที่พ่อแม่กูประยานมันได้พาดําเนินมาเป็นปฏิปทาที่ราบลื่นดีงามสม่ําเสมอมากหาที่ต้องติไม่ได้เพราะท่านเดอดําเนินตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างแท้จริงหลักธรรมหลักวินยัยเครื่องดําเนินและการดําเนินตามหลักธรรมหลักวินัยนี่แหละ เป็นการตะล่อมจิตใจเข้าสู่ทางเพื่อมักผลนิพานถ้านอกเนื้อไปจากนี้แล้วก็ยากที่จะเป็นไปได้เหมือนเราข้ามน้ำมหาสมุทรต้องอาศัยเรือเท่านั้นเป็นสำคัญไม่เห็นสิ่งอื่นใดดียิ่งไปกว่าเรือนั่นละจะถึงฝั่งด้วยความปลอดภัย การดำเนินปฏิปทาตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินและเห็นผลเป็นที่พอพระไัยมาแล้วได้สั่งสอนไว้นี่แหละเป็นทางที่ราบรื่นดีงามต่อความพ้นทุกขโดยไม่ต้องสงสัยผลที่จะพึงได้รับไป ตามการตามเวลาที่ประกอบความดีทั้งหลายนั้นก็เป็นเครื่องสนับสนุนกันไปโดยลำดับสาหรับผู้ต้องการความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นย่อมเห็นศาสนธรรมและการดำเนินตามเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดแม้จะพูดว่าในโลกนี้ก็ได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะแนะ แนวทางให้ตรงแนวต่อความพ้นทุกได้เหมือนหลักธรรมหลักวินัยนี่เลยหลักธรรมหลักวินัยนี้พระองค์ทรงดำเนินหรือบำเพ็ญมาแล้วผลที่ได้ถึงความเป็นศาสดาเอกของโลกก็ออกมาจากการดำเนินตามนี้ไม่ผิดเพี้ยน จึงได้สั่งสอนสัตว์โลกด้วยความแนบพระไถ่พระไถ่และเป็นสวากขาธรรมจัดไว้ชอบแล้วทุกแน่ทุกมุผู้อยากจะเห็นการดำเนินของพระศาสดาพึงดูหลักธรรมหลักวินยัยอันเป็นพระอาการแห่งความเคลื่อนไหว ของการก้าวไปและการดำเนินเพื่อสาธารณประโยชน์ของโลกมีหลักธรรมหลักวินัยนี้แหละเป็นเครื่องยืนยันพระอกับกิริยาแห่งการดำเนินของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะดำเนินเพื่อความสวยงามทั่ ว, วไปในวงพระศาสนาและความเป็นศาสดาก็ตามและไม่ว่ากรณีใดก็ตาม นับตั้งแต่สั่งสอนสัตว์โลกในขนั้นพื้นพื้นจนกระทั่งถึงขั้นมีมุตตดพ้นย่อมเป็นไปตามพระอวาท<า>ที่ทรงแสดงออกแล้วนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่าพระออวาทคำสั่งสอนทั้งมวล น, นี้เป็นพระอาการแห่งความเคลื่อนไหวขององคศาสดาก็ไม่ผิด เพราะตามหลักธรรมชาติของศาสดาแล้วย่อมจะเป็นแบบฉบับของโลกอยู่ตลอดเวลาไม่ทรงละเบนพระอาการความเคลื่อนไหวที่ผิดเพี้ยนไปจากองศาสน์นั่นเลยผู้ดําเนินตามก็ยึดพระอาการที่ทรงเคลื่อนไหวด้วยการประทานพระโอวาทไว้ทุกแง่ทุกมุม ผู้นั้นจะไม่ผิดพลาดแม้จะช้าบ้างขอช้าเพื่อเพื่อการก้าวไปไม่ใช่ช้าเพราะการผิดพลาดปีดละจากทางแห่งความถูกต้องไป <c oughs> นั่นแหละผู้ปฏิบัติทั้งหลายจึงควรให้มีจิตใจหนักแน่นต่อองค์ศ า, ศาสดาคือพระธรรมวิ น, นัยอันเป็นองค์แทน ดังพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราในสมัยปัจจุบันนี้หาที่ต้องติไม่ได้แล้วไม่ว่าจะทรงดำเนินในแง่ใดย่อมมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันรับรองไว้เสมอไปด้วยเหตุนี้ผู้ที่ยึดเอาหลักปฏิบัตรธาการดำเนินของท่านไปประพฤติปฏิบัต จึงเป็นผู้ราบเรื่นดีงามสม่ำเสมอไม่สแสลงตาสแสลงใจแก่ผู้ได้เห็ น, ไ ด, หนได้ยินแม้ตัวเองก็ไม่มีความคึกความขนองใดๆที่นอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินยัยตัวเองก็เย็นใจอยู่ด้วยกันจํานวนมากน้อยต่างคนต่างถือหลักศาสดาคือพระธรรมวินยัยเป็นแบบฉบับเป็นหัวใจ เป็นกิยาแห่งความเคลื่อนไหวแล้วจะเป็นความร่มเย็นเป็นสุข ด, ด้วยกันดังพระสาวกท่านมีจํานวนร้อยๆพันๆพันหมืนม่นๆ แ, แสนแสนองค์ก็ไม่เคยได้ยินเลยว่าพระอาหารหันตเหล่านั้นมีการทะเลาะบบาแห้งขัดแย้งกันเรื่องความรู้ความเห็นไม่ลงรอยกันอย่างนี้ไม่ปรากฏแม้รายหนึ่งเลยในตำรับตาํารานี่ เป็นเครื่องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทำแท้นี้เมื่อได้เข้าถึงใจแล้วย่อมเป็นความแท้จริงอยู่ตลอดเวลาไม่เคลื่อนไหวจากนั้นสู่ความจำเปแม้แต่น้อยเลยพอที่จะให้เกิดความทะเละเบาแว้งหรือขัดแย้งกันในเรื่องหลักธรรมหลักวินยัยหรือความประพฤติต่างๆบรรดาพระรหันอยู่ด้วยกันมีจํานวนมากมายเพียงไหนย่อมมีธรรม ของแท้ของจริงประจักษ์ใจของท่านเป็นหลักใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดเลยการอยู่ด้วยกันจึงอยู่ด้วยความเป็นธรรมแท้หาที่จะละและแวงแคงใจต่อกันแม่นิดหนึ่งไม่มีเลยนี่แหละธรรมแท้เมื่อได้เข้าสู่จิตใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วย่อมเป็นเช่นนั้น บูบาอาจารย์ที่พาดำเนินมาก็ข อ, ขอให้เนต้ะหนักภายในจิตใจของเรายึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แห่งการปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่จะดีเลิศหรือแปลกประหลาดยิ่งกว่าอัตกว่าธรรมที่ท่านพาดำเนินมาจะเป็นความเสียหายแก่ตนไปวันละเล็กลันน้อยเมื่อน า, นานเข้าไปก็กลายเป็นนิสัยแล้วฝังลึกแก่ไม่ตก หรื อ, ห ร, อ, ห, รอหรือไม่สนใจที่จะแก่นี่ความผิดพลาดอันเป็นเรื่องของกิเลสแทรกเข้าไปแทรกอย่างนี้เองแทรกอัดแทรกทำเราอย่ามองดูที่อื่นที่ใดอันเป็นสถานที่จะแทรกขึ้นมาแห่งกิเลสและเกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายพึ้นดูที่ใจของเรานี้แห่งเดียวเป็นสำคัญกระจายออกไปข้างนอกก็ดูเพื่อจิดใจ จิตใจส่งกระแสไปในเรื่องใดจิตใดการใดอารมณ์ใดให้พึงสอดส่องมองดูด้วยสติพินิตพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อความไก่กรองหรือกั่นกรองของจริงของแท้หรือของปลอมที่เคลืออแฝงกันไปผู้นั้นจะได้ทราบเหตุทราบผลไปโดยลำดับความสำคัญคือความอยากภายในจิตนี้ ไม่มีความอิ่มพออยากอยู่เสมอช่องทางที่จะให้ก้าออกแห่งความอยากก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เรียกว่าธรรมารมเกิดขึ้นที่ใจนี่แหละทางเดินของความอยากออกตรงนี้ถ้ามีสติก็จะได้ทราบทางเดินทราบอารมณ์ของทราบจิตใจว่าออกไปในทางใดเพื่ออะไร ออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งส่วนมากล้วนแล้วแต่ออกไปเพื่อความเสียหายเมื่อเผลอสติเพราะส่วนใหญ่ที่จะทำกิจให้เกิดความเสียหายนั้นฝังลึกอยู่แล้วภายในใจิตใจจึงแสดงได้ทุกเวลาเนื่องจากมีความคล่องตัวอยู่แล้วอาจรมยังไม่ทันกันจึงมักจะ เธอไปตามอาการทั้งหลายที่แสดงออกอยู่เสมอนี่หละการบำเพ็ญของเราที่ก้าวเดินไม่ได้สะดวกเพราะมีอุปสรรคกีดขวางอยู่ตลอดเวลาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ทั้งทั้งที่เข้าใจว่าตนได้สังเกตและเข้าใจว่าตนประกอบความภาคเพี้ยนในขณะเดียวกันกิเลสที่ไม่ว่าภาคเลี่ยนมันเพี้ยนของมันอยู่แล้วภายในจิตใจ หึงของให้ทุกๆ ท, ท่านได้ทำความเข้าใจเอาไว้สำคัญคือใจดังหนังสือที่บอกไว้ว่าไว้ว่าทำแท้ปรากฏที่ใจนั่นไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากใจเพราะใจเป็นธรรมชาติที่รู้สิ่งเหล่านั้นไม่รู้อันใดมาสัมผัสกับใจใจต้องรู้ใจเป็นผู้ปรุงขึ้นเองใจก็รู้ถ้ามีสติ หากไม่มีสติแล้วใจมีความปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบได้ว่าปรุงแต่งเรื่องอะไรนี่นี่แหละสำคัญอยู่ที่ตรงนี้พระโอาวาทคำสั่งสอนของพระพุทธทเจ้าทุกบททุกบาทได้อ่านได้เห็นได้ยินได้ฟังในบทใดบาทใดพึงทำความเข้าใจสังเกตสอดรู้ไปตามอัตธรรนั้นๆ เราจะเห็นความลึกตื้นอันสำคัญสำคัญอยู่ภายในพระโอวาทนั้นโดยลำดับไปเพราะคำว่าศาสน า, าแล้วการแสดงออกย่องย่ำเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเพื่อผู้ฟังไม่ว่าจะสัมผัสสัมพันธ์ทางใดได้เข้าใจและได้เหตุแ้วผลได้อัดได้ทำได้คติเครื่องเตือนใจขึ้นมาจากการสัมผัสสัมพันธ์โดยสม่าเสมอถ้าตั้งใจสังเกตเพราะ ธรรมนี้เป็นธรรมที่บริสุทธิ์โดยสุดส่วนแล้วจากพระไถยการแสดงออกมาในบทใดาบาทใดจึงไม่ผิดพลาดสาคัญที่ผู้ฟังผู้ศึกษ า, ผ, กษาผู้ปฏิบัตินี้เป็นความผิดพลาดภายในตัวเองเสียเองเพราะความไม่รอบคอบหรือความไม่ค่อยสนใจนักเนี่ยที่ทให้ผิดให้พลาดอยู่เสมอ การดําเนินที่เป็นไปเพื่อความเพื่อความราบรื่นดีงามในสมัยปัจจุบันนี้เรายังไม่มองไม่เห็นว่าใครที่จะเป็นที่ตายใจและอบอุ่นได้อย่างแท้จริงเหมือนหลวงปู่มั่นที่พาดําเนินมาไม่ใช่เราจะแย่งหาเรื่องหาราวยกท่านแล้วเหยียบย่ำท่านผู้อื่นผู้ใดนอกกนั้นเราไม่ค่อยได้คบค้าสมาคมพอที่จะทราบเรื่องราว ความหนักเบามากน้อยแห่งการปฏิบัติของท่านเราจึงไม่อาจที่จะตําหนิติเตียนหรือเหยียบหรือชมเชยท่านเหมือนปฏิปทาที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพาดําเนินมานี่หากว่าควรจะตําหนิการตําหนิโดยธรรมเราก็อาจจะพูดได้เพราะธรรมเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วแต่นี้หาที่ตําหนิท่านไม่ได้ท่านดําเนินในแง่ใด มุใดมีตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องธทำหรือคือเรื่องธรรมเรื่องวินัยยืนยันรับรองไว้โดยสิ้นเชิงแล้วเนี่ยจึงงามตาการปฏิบัติของท่านราบรื่นดีงามมากสงบเย็นใครเข้าไปที่นั่นก็เพราะอาศัยร่มเงาแห่งความร่มเย็นของท่านย่อมมีความสงบร่มเย็นไปตามๆกัน เหมือนหนึ่งว่ากาจับภูเขาทองดังว่านั้นทำให้เหลืองอาลามไปหมดทั้งๆงติกาตัวดาๆนี่เมื่อเราเมื่อเราก้าวเข้าไปสู่แวดวงแห่งธรรมแห่งความเมตตาสงสารและความบริสุทธิ์ของท่านแล้วย่อมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของ ก, กันและกันให้มีแก่ก จ, ใ จ, ใจิตใจที่จะสังรวมระวังตนเพื่อความดีงามมากยิ่งกว่าที่จะมีเกตนาในทางผิด นี่แหละการครบหาสมาคมหรือการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ที่เป็นที่แน่ใจแล้วจึงมีผลเกินคาดไม่มีวันหลงหลืมได้เลยฝังอยู่ภายในจิตใจเป็นเรื่องสัจธรรมขึ้นมากับจิตใจของเราจึงไม่มีวันหลงหลืมทุกทุกท่านที่มาอย่าได้ลืมเรื่องศาสดาว่าอยู่ที่ตรงไหน อย่าเข้าใจว่าท่านอยู่ประเทศอินเดียท่านปรินิพานแล้วนั่นเป็นสถานที่เป็นการเป็นเรื่องล่เวลาไม่ใช่องคศาสดาที่แท้จริงเหมือนหลักธรรมหลักวินัยอันเป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลเพื่อแก้เพื่อตถอนกิเลสโดยถ่ายเดียวและธรรมชาติที่บริสุทธิ์คือพระไทยของท่านนั่นแลคือศาสรูองค์แท้ถ้าเราอยากจะทราบว่าศาสราอยู่ที่ตรงไหน โดยไม่ต้องสงสัยเลยทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยเห็นองศ า, ศาสดาก็ตามให้พึงปฏิบัติตนตามพระาวาจกรรมส อ, สอนนี้อย่างหนักแน่นแม่นยำอย่าให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปได้ธทรรมที่ท่านกล่าวไว้ว่าสมาธิตั้งแต่เป็นพื้นๆขึ้นไปที่จะปรับระดับจิตให้เข้าสู่ความละเอียดแหลมคมที่สุดเราจะได้ทราบจากภาคปฏิบัติของเราด้วยความสนใจกับหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ จะเป็นสมาธิขั้นใดก็าตามนี่คือเหมือนกับว่าเราไม่มีวิวแววหรือมองเห็นพระบรมศาสดาเพียงยิบยิบแยบแยบแล้วแม้ไม่เห็นทั้งองค์ก็าตามเพราะคำว่าสมาธินี้องค์ศาสดาก็เคยเป็นมาแล้วและได้ปรากฏกับใจของเราพอเป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นหลักฐานพยานกันได้ในขั้นนึแล้วท่านสอนไว้ยอย่างไรอีกล่ะ นอกจากสมาธิแล้วท่านยังสอนเรื่องปัญญานี่ก็คือท่านดำเนินไปแล้วท่านรู้เห็นไปแล้วพระจิตของท่านเป็นทั้งสมาธิผ่านไปแล้วเป็นทั้งปัญญาผ่านไปแล้วยิงได้สอนย้อนกลับมาหาบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ก้าวเดินตามทางสายนี้แล้วปัญญามีกี่ขั้นกี่ภูมิท่านสอนไว้หมดไม่มีอัดไม่มีอัน้นสมภูมิแห่งศาสต์ดาโดยแท้เมื่อ ถึงขั้นปัญญาที่ ท, ทราบภายในตัวเองว่าพระาศาสดาท่านดําเนินท่านทรงบําเพ็ญปัญญาบําเพ็ญอย่างไรท่านรู้ท่านเห็นด้วยพระปัญญาของท่านท่านรู้เห็นอย่างไรแม้ภูมิของเราจะไม่เต็มภูมิดังศาสดาเป็นเต็มภูมิของศาสดานั้นก็นตามภูมิของเราก็พอทราบได้เช่นเดียวกับเรารับทานเด็กรับทานอิ่มเป็นอย่างไรผู้ใหญ่รับทานอิ่มเป็นอย่างไร เด็กย่อมไม่สงสัยความอิ่มของตนผู้ใหญ่แม้จะท้องใหญ่ท้องโตวกว่าเด็กก็ไม่สงสัยว่าผู้ใหญ่ขนาดรับทานแล้วอิ่มเป็นอย่างไรนี่ภูมิอย่างทำที่บรรจุภายในจิตใจเต็มที่ในหัวใจตนแล้วย่อมจะอย่างทราบถึงภูมิอย่างศัสดาว่ากว้างแคบขนาดไหนอีกด้วยและลึกซึ้งอย่างไรอีกด้วยความที่ว่าอัศจรรย์อัศจรรย์องศักดสเดาอัศจรรย์นั้นอัศจรรย์ที่ตรงไหนด้วย เมื่อใจของเราได้แสดงผลขึ้นมาโดยลําดับลำดับจนกระทั่งแสดงผลเต็มที่ภายในาจิตใจหาอะไรสงสัยไม่ได้แล้วจะสงสัยพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาซึ่งเป็นภูมิเลิศประเสริฐสุดไปก่อนพวกเราแล้วอย่างไรเล่านี่ย่อมหาความสงสัยไม่ได้นี่แหละการดูการเห็นการเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ดําเนินตามวิธีการที่ท่านพาดําเนินไปนี้ ไม่ติดไม่แวะไม่เห็นสิ่งใดดีกว่าพระโอวาทคําสอนของพระพุทธเจ้าและไม่เห็นจุดใดเด่นยิ่งกว่าจุดแห่งความพ้นทุกขหรือจุดแห่งการเกิดบุญเกิดกุศลเกิดความดีทั้งหลายจนกระทั่งถึงถึงความพ้นทุกนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเนื้อสิ่งใดๆความอยากให้ทุ่มเทเข้ามาจุดนี้การประพฤติปฏิบัติ ให้ทุ่มเทเข้ามาจุดนี้การความเข้มแข็งความอุตสาห์พยายามทุกด้านให้ทุ่มเข้ามาในจุดนี้อันถูกต้องตามจุดที่ว่าประเสริฐเลื่อนเลอไปลำดับไปจนถึงขั้นแห่งความพ้นทุกข์จะทราบประจักษ์ภายในจิตใจของตนโดยไม่ต้องสงสัยแม้จะไม่เคยรู้เคยเห็นก็าตามทำนี่เป็นของจริงมาแล้วะไม่รู้กี่กับกี่กันไม่อาจจะนับได้เลยและทำโลกให เป็นโลกที่ดีที่สบงบเยมเย็นและพ้นจากทุกจากภัยไปมากาเพียงไรแล้วไม่มีอะไรเกินทรทมเท่านั้นเป็นเครื่องกันกรองสัตว์โลกเป็นเครื่องยกเป็นเครื่องขนสัตว์โลกให้ได้หลุดพ้นไปจากทุกโดยลำดับลำดาจนกระทั่งพ้นจากทุกโดยสิน้นเชิงไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะเหนือธรรมนี้ไปได้ให เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทุ่มจิตใจลงจุดนี้จุดนี้หมายถึงความรู้ของตนความเคลื่อนไหวนั้นเคลื่อนไหวไปอย่างไรอย่าลืมดังที่บอกแล้วว่าสิ่งภายในที่มันผลักดันอยูตลอดเวลานั่นแหละพาให้จิตเคลื่อนไหวไปในทางผิดโดยที่เราไม่รู้ทั้งทั้งที่ตนเข้าใจว่าตนประกอบความเพียรอยู่เพราะสติไม่ทันปัญญาไม่รอบตัวย่อมจะเผลอ ต่อสิ่งที่คลั่งแค่ ว, ว่องไวมาแล้วได้จากที่เหลภทต่างๆให้ตั้งจุดเป็นที่มุ่งหมายจุดอันสำคัญไว้ที่นี่ศรัทธาวิยสติสมาธิปัญญามีมากน้อยเพียงไรให้ทุ่มเข้ามาจุดนี้อย่าสำคัญว่าสิ่งใดจะเป็นสิ่งที่เลิศเลอ เนื้อธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้นี่เหลอท่านว่าธรรมเหนือโลกอยู่ที่ใจกับธรรมสัมผัสกันเป็นลําดับลำดาไปจนกระทั่งใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันที่ว่าจะาธรรมเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งนั้นพูดไม่ได้สําหรับผู้ที่ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันถึงร้อเอร์เซหรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่คือเข้าถึงกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถึงขั้นของกิตบริสุท ธ, ธรริ์รำบริสุทธาาิ์ภายในใจดวงเดียวกันแล้วไม่มีทางที่จะแยกแยะออกไปได้อันนี้ก็จะทราบเองรู้เองเห็นเองด้วยสันติโกของผู้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงมอบไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ให้สงสัยว่าต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกต่อไปพระอาวัชทั้งหมดนี่พร้อมแล้วสมบูรณ์เต็มที่แล้วที่จะรื้อขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกโดยสิ้นเชิงตามศาสดาองค์เอกได้ ไม่มีอะไรเกินสวดคาถาธรรมนี้ไปเลยให้จงพากันเป็นที่แน่ใจในพระโอวาทนี้ที่สอนแล้วและให้กําจัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาแทรกอยู่ตลอดเวลาไม่มีคําว่าอ่อนตัวไม่มีคําว่าขี้เกียจขี้คร้านในการสั่งสมเพื่อประโยชน์ของตัวก็ได้เกี่ยวกิเลสนี่แหละจะเป็นอะไรไปทําเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่ ควรจะเป็นย่อมถูกกิเลแสแทรกเข้าไปให้ขี้เกียจขี้คร้านต่อการบําเพ็ญเพื่อความดีทั้งหลายได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าใจท่านจะเรามีเหมือนกันเป็นเหมือนกันไม่ต้องถามก็ได้อันนี้อันนี้ก็เพราะเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องของธรรมพาให้อ่อนแอพาให้อทอดแ้เหลวไหลเรื่องของกิเลสนั้นแหละที่เข้าแทรกเข้าสิงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตอนที่เราจะรู้ก็คือการบําเพ็ญตนไปโดยลําดับลําดับ สติก็ตั้งเข้าไปอย่าลดละท้อถอยยิตเมื่อได้รับการบำรุงการรักษาอยู่เสมอจะค่อยปลอดภัยไร้กังวลค่อยสงบตัวเข้าไปเรื่อยๆและแสดงผลคือความสุขเย็นใจขึ้นมาให้เจ้าของได้ชมนี่ต่อจากนั้นก็ค่อยก้าวไปโดยลำดับจำา ا ความขี้เกียจที่คลานที่เคยบีบบังคับ เราในการประกอบความดีทั้งหลายอยู่ตลอดเวลานั้นจะค่อยจางไปจางไปจนกระทั่งไม่มีเหลือภ า, ายในจิตใจเลยและทำให้เราทราบได้อย่างชัดเจนว่าความที่เกียวขี่ค้านเหล่านี้ล้วนเป็นกิเลสทั้งนั้น น, นันเมื่อถึงขั้นทำมีกำลังถึงขั้นทำเป็นตัวของตัวแล้วกิเลสย่อมเข้าแทรกเข้าสิงไม่ได้กิเลสมีตั้งแต่วันจะหมดจะสิ้นไปโดยลาดับลาดา จนกระสังสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือพายในกิจใจเลยความขี้เกียจมาจากไหนทีนี้ไม่มีการปฏิบัติธรรมต้องทำความรู้สึกให้ผิดแตกจากความรู้สึกที่เคยเป็นโลกมานานเมื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นพระและการปฏิบัติแล้วให้พยายามเปลี่ยนความรู้สึก ที่เคยชินมาในทางโลกอันเป็นเรื่องของเด็กเลวนๆก้าวเข้าสู่ธรรมอันเป็นเรื่องของธรรมที่จะทําเราให้ดีให้มีกําลังบางชามากขึ้นโดยลํดำดับอย่าให้อ่อนแอลงไปโดยลําดับใช้ไม่ได้เลยผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายเราก็เห็นแล้วประจักษ์แต่ก่อนก็รู้รสึกว่าเป็นที่อบอุ่นคิดไปทางในมุมใดก็มีครูมียอาจารย์เป็นล่มโพล่อมใส เข้าไปกราบบ้าบูชาท่านเท่านั้นยังไม่ได้ถามอัดถามธรมก็เย็นแล้วเพราะท่านเป็นผู้ทรงไว้แล้วความเย็นด้วยด้วยความเย็นอันประเสริฐแล้วเวลานี้เป็นอย่างไรลดล่วงไปลดล่วงไ ป, ลลงไปผู้ที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบหน่อต่อแขนงกันไปในความดีในความเลิศความประเสริฐทั้งหลายด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมักจะ ล่วงโรยไปล่วงโรยไปก่อนครูบาอาจารย์ล่วงโรยไปเป็นไหนไหนเมื่อเป็นฉะนั้นความหวังจะอยู่ที่ไหนจะลงจุดใดหาความลงที่ลงไม่ได้หวังเฉยเฉยแล้วครูบาอาจารย์ก็ล่วงไปล่วงไปดังที่เคยพูดให้ฟังเส ม, มอท่านที่เรากล่าวถึงนั้นเรากล่าวด้วยความแน่ใจไม่สงสัยท่านเลยเพราะเคยสนทนาอัตถรมกับท่านจนเต็มหัวใจแล้วหาที่จะจืดจางไปอีก แม้นิดหนึ่งไม่มีเลยคงเส้นคงวาหนานแน่นอยู่ด้วยความเชื่อมั่นในความจริงทั้งหลายของท่านจึงสามารถพูดออกมาอย่างไม่อายใครทั้งนั้นกิเลสมันไม่เห็นอายเวลามันจะเยื่อหยิ่งจองหองเหยียดย่ำเหยียบย่ทำทําลายทำมันไม่เห็นละอายเราพูดเพื่อจะเหยียบย่ทำทําลายกิเลสทําไมเราจะอายพูดเพื่อเป็นกําลังใจพูดเพื่อให้ความหวังในการดําเนินของของเรา ว่าสิ่งที่จะสนองความหวังนั้นมีอยู่เช่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้ให้ความหวังแก่เราเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่อากัปปิยาท่านแสดงออกมาในแง่ใดมุมใดล้วนแล้วแต่เป็นความหวังให้เราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้นเวลานี้ก็ล่วงไปล่วงไปจนแทบจะไม่มีแล้วนะเวลานารณาเลยแล้วที่เดินตามหลังนี้มักจะแทรกจะแซงทะเลทลายออกนอกลกูนอกทาง ถือว่าอันนั้นเลิดอันนี้ประเสริฐนอกเหนือธรรมไปเสียแล้วไปยังไงเลิดนั้นมันเลิดของกิเลสเสตสังข์ตั้นยอ่อเลิด ก, กับเลวันไปด้วยกันไม่ใช่เลิด ก, กับเลว ก, กับประเสริฐเหมือนธรรมท่านพาเป็นเรื่องกิเลสหลอกเป็นอย่างนั้นน่ยดูเอาเรามีตาเรามีหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสสัมพันธ์กับโลกอยู่นี่ตลอดมาตั้งแต่วันเกิดทําไมเราจะพอ ยืดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นคติเครื่องเตือนใจไม่ได้ทําไมจะมีแต่ความรุ่มหลงด้วยอํานาจของกิเลสมันฉุดลากไปแค่โดยถ่ายเดียวจนหาเวลารู้ตัวไม่ได้เลยนี้มันไม่เกินไปแล้วหรือนักบวชนักปฏิบัติเราว่าตาเป็นยังไงหูเป็นยังไงจมูกลิ้นกายใจเป็นยังไงถึงไม่เลดลอดออกมาสู่นี้อาจนี่ทำบ้างนอกจากไหลไปตามกิเลสทั้งวันทั้งคืนเสีอย่างเดียวมันจะเป็นประโยชน์อะไรกับเรา นี่เราสร้างความหวังอะไรอัะไรไว้ให้เราเวลานี้เราดูที่จิตใจนั่นแหะเป็นผู้สร้างอยู่เวลานี้มันสร้างความเสียสันตั้นยอขึ้นมาอันนั้นดีอันนี้ดีอะไรดีหมดหมดแล้วสุดท้ายมันก็จมไปจมไปพังลงไปพังไปเห็นไหมโลกไหนโลกพังนอกจากสาม โ, โ, ลโลกธาตุนี้ไม่มีโลกใดพังทำไม่พังนิพพานพังไหมเคยเห็นไหมนั่นแหละเอามาเทียบกันสิ นิพพานคือวิวัตตะไม่หมุนจะอะไรมาเวียนจะอะไรมาเกิดมาตายนี่มันโลกหมุนโลกเวียนโลกอนิจจ์ทุกขังอนัตตาทําไมจะไม่ให้มันเป็นมันเป็นมาตั้งกับตั้งกันมันกี่กับกี่กันแล้วทําไมการหลงมันจึงไม่มีวันอิ่มพอสําหรับพวกเรามันเป็นเพราะอะไรวินิจฉัยบ้างสิจิตดดวิญญาณนี้ทําเป็นเครื่องวินิจฉัยมีอยู่ทําไมไม่เอาไปวินิจฉัยเครื่องแก้กันมีอยู่ ที่มืดมทีที่เครื่องสว่างมันมีแก้กันอยู่ทำไมาไม่เปิดความสว่างขึ้นมาให้เห็นสติปัญญามีไว้ทำใหม่หงต้มแกงกินก็ไม่ได้เอามาใช้สำหรับแก้กิเลสเเนี่ยผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกข์ต้องเป็นผู้พินิจพิจารณาใครควรกับสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาไม่จืดจางนี้เลยให้ได้เห็นชัดเจนตามความเป็นจริงของมันบ้าง ดีกว่าที่มันจะหลอกไปซะตลอดเวลาหาความรู้สึกตัวไม่ได้แล้วยังจะเป็นไปอีกอย่าว่าเป็นมาแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้เลยขณะนี้ต่อไปอีกก็ยังจะต้องเป็นไปอีกถ้าเราไม่สร้างสติปัญญาอันเป็นเรื่องของทำขึ้นเพื่อแก้เพื่อทดสอบเพื่อพิสูจน์กันให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วจะหาทางปลดเปื้องตนไม่ได้ตายก็ตายอยู่อย่างนั้นเกิดก็เกิดอยู่อย่างนั้นโลกอันี้ว่างจากความเกิดตายที่ไหนมีเต็มไปด้วยความเกิดตาย ความเกิดตายความทุกข์มันอยู่ได้ฉากเดียวกันทำไมเราจรึงได้ตื่นมันเอาหนักเอาหนาเรื่องเกิดตายเป็นของดีแล้วเหรือก่อนที่จะเกิดเล็ดรอดออกมาจากช่องแทบเป็นยังไงบางลายตายอยู่ในท้องแม่ก็มีบางลายตายอยู่ในช่องลอดก็มีบางลายตกลงมาแล้วออกมาแล้วตายก็มีมันสุกแล้วเหรืออย่างนั้นนี่ความเกิดผลของการเกิดเห็นไหมท่านพุทธเจ้าว่าความ เกิดมันเป็นทุกข์นันเห็นไหมพวกเราเราเกิดมาด้วยกันทุกคนทําไมไม่เห็นพระพุทธเจ้าทําไมเห็นพิจารณาติ่ต่างกันอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้ากับเราถ้าเราจะนำธรรมพรทเจ้ามาวินิจฉัยค่ายควรสิ่งเหล่านี้ตามที่พระองค์ทรงวินิจฉัยและรู้มาแล้วทําไมจะไม่รู้ทําเป็นเดียวกันของจริงเป็นเดียวกันควรจะรู้จะเห็นอย่างเดียวกันทําไมจะไม่รู้ไม่เห็นได้ล่ะเมื่อนํามาใช้นี่นี่เรากความเกิดตายมันมีเท่านี้แหละ มันมีวิเศษวิสูอะไรอีกนอกจากความคาดความเดาความฟุ้งเฟ้อเหมิมของใจด้วยอํานาจของกิเลสหลอกไปเท่านั้นว่าอันนั้นจะดีอันนี้จะดีแล้วสุดท้ายก็พังพังพังไปแล้วกันมีใครสมหวังบ้างในโลกนี้เห็นไหมผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะพิณิพิจณาเห็นสิ่งเหล่านี้ได้พอที่จะหาทางลบหยิกตีกตัวออกให้พ้นจากความเป็นกงจักนี้แล้วก็เป็นวิวัตจักได้ในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยคือผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้น แล้วเอามาพิจินี้พิจารณาแล้วก่อนจะตายเป็นยังไงแล้วเวลายังเป็นอยู่นี้เป็นยังไงได้บำบัดรักษากันอยู่ตลอดอียาบทไม่ใช่หรืออียาบททั้งสีเพื่ออะไรใช่ไม่ใช่เพื่อบรรเทาความทุกข์ที่มันเต็มอยู่ในธาตุในขันนี้ให้พอเบาบางไปบ้างพอบรรเทาพออยู่ได้ทรงไปได้ในวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นอียาบทการยืนการเดินการนั่งการนอนมันวิเศษวิโสอะไรมันเพื่อบำบัดธาตุขันให้พอเป็นไปได้เท่านั้น นั่นนั่นเกิดเป็นกองทุกข์อันหนึ่งอันหนึ่งแล้วถึงเวลาจะจะเป็นจะตายเป็นไงแม้แต่ไม่ตายมันเจ็บปวดแสบร้อนที่ที่ไหนก็ไม่ใช่ภูเขาทั้งลูกมันเป็นมันเป็นอยู่ในธาตุในกันของเราทําไมจะไม่เห็นเรื่องกองทุกข์ที่มีอยู่ในนี้เน่ยนี่มันน่าพิจารณาจริงๆทําไมไม่พิจารณาปัญญาไปไว้ที่ไหนสิ่งอยู่นี้มันกระเทือนหัวใจหัวใจเป็นดวงที่รู้เมื่อหัวใจมีปัญญาทําไมจะไม่แยบแยบออกมาให้รู้ตามหลักความจริงที่มันแสดง่ตลอดเวลาในหัวใจของเรา ซึ่งสูขถูกสัมผัสอยู่ตลอดเนี่ยมันควรจะรู้ได้แล้วในเวลาจะตายเป็นยังไงอีกเราพิจารณาสิ<ม>บางไรายไม่มีสติสตังเลย<ม>ทิ้งความตัวเองปลิ้นเกลือกไปทิ้งเนื้อทิ้งตัวไม่มีสติสตังเลยนี่แสดงว่าหมดแล้วสติก็<ม>เหมือนไส้เดือนตัวหนึ่งที่มันคืบคลานไปตามพื้นที่ที่ร้อนๆเท่านั้น คืบคลานไปไหนก็มีแต่ความร้อนมีเหมือนกับฟืนกับไฟเพราะดินมันถูกแดดแผดเผามันร้อนแล้วสะเดือนเมื่อเสื่อคลานไปไม่ได้นานสุดท้ายก็ตายนั่นเป็นยังไงอีนานเรื่องธาตุเรื่องขันของเรานี้มันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันถึงวาระที่มันจะไปแล้วจะเป็นไปแล้วยังไงมันก็แบบเช้เรือเช้เดือนั่นแหะเสื่อคลานไปอย่างนั้นแล้วคําที่ว่าสติไม่มีนี่สิมันสําคัญ สติเป็นของมีได้ฟังสิสติไม่มีได้อย่างไรเมือ่อทําให้มีสั่งสมให้มีบํารุงให้มีมีได้ปัญญามีได้พระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกแท้ๆเป็นผู้สั่งสอนไว้ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดรับหูรับตา ม, มาสอนโลกศาสดาองค์เอกสว่างจ้ารอบทิศรอบด้านรอบจักรเขตขอบเขตจั ก, กวาลทั้งสามภพไม่มีใครเกินศาสดานั่นออกความสว่างปเป็นผู้มาสอนโลก เป็นผู้มาสอนความจริงเหล่านี้ให้พวกเราทั้งหลายฟังทําไมเรามันจึงไม่ถึงใจของพวกเราถูกีิเดยปิดกัน้นเราเสียตลอดเวลานั้นเหรือถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ตายไม่มีกุศล า, าสิกุศล า, าแปลว่าอะไรแปลว่าความฉล า, าดหาความฉล า, าดไม่มีแล้วมันจะไปที่ไหนถ้ามันไม่จมจะไปที่ไหนกันนี่ก็ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะพิสูจน์กันได้ระหว่างแห่งความเผลอกับระหว่างแห่งความมีสติผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบได้ยัง ไม่ถึงไหนเนี่ยเมื่อปฏิบัติสตปสิปัญญาเข้าให้ประชิดติดกับตัวเองแล้วย่อมจะทราบความเคลื่อนไหวของธาตุของขันมันแปรไปอะไรบ้างเจ็บท้องปวดที่กระตามเนื้อตามตัวมันเจ็บตรงไหนตรงไหนทราบมันหมดแต่ก็ทราบตามจุดของมันเท่านั้นไม่ได้มีความกระท บ, กร ะ, ทบกระเทือนมาถึงจิตใจเลยเพราะใจรอบตัวใจรู้รอบหมดจอมเป็นอย่างนั้นสติไม่ต้องบอกฮรู้กันยในหลักธรรมชาติ นี่เมื่อถึงขั้นรู้แล้วเมื่อได้อบรมให้เป็นไปย่อมเป็นเช่นนี้ไม่สงสัยเราให้เห็นกับตัวของเรานี่สิเราอย่าไปคอยทูลถามรราพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอุบาวิธีการที่ให้มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกอย่างก็ทรงสอนมา้แล้วทุกแหนะทุกมุมบกพร่องที่ตรงไหนนอกจากมันบกพร่องในตัวของเราเองซึ่งเป็นตัวหาผาบขีดตัวเป็นฆ่าสิบต่อธรรมนี้อยู่เต็มหัวใจเต็มตัวเหล่านี้เท่านั้นมันจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นอันใดที่เป็นอยู่ภายใ น, ในใจิตใจของเรา เรื่องความเกิดความตายมันแสดงที่ไหนแสดงที่ธาตุที่ขันนี้ธาจิตรุ่มหลงก็แสดงในจิตด้วยก็เทือนเข้าในจิตด้วยจิตย่อมได้รับความเดือดร้อนยิ่งกว่าธาตุขันแสดงนี้อีกธาตุจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนถ้าเราได้รับการอบรมสติปัญญาให้เป็นเครื่องรักษาตนแล้วเราจะทราบได้ชัดเจนว่าขันอันนั้นแสดงอาการีิกนวิการอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นใจเราไม่มีการนั่น แสดงวิปปิลผิดต่างความเป็นธรรมดปกติไปอย่างนั้นอย่างนั้นเราไม่ได้แสดงผิดปกติใจคือผู้รู้รู้ด้วยความมีสติจากนั้นก็ความมีสติในหลักธรรมชาติเอาจะแสดงไปท่าใดในเรื่องธาตุเรื่องกันรู้หมดรอบหมดโดยไม่ต้องบังคับบัญชามเหมือนอย่างที่แต่ก่อนที่เคยตะเกียบตะกายกันเลยนี่ถึงขั้นธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นพระอรหันต์ท่านตายจึงไม่มีปัญหาอันใดเลย ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องขึ้นชื่อว่าสมมูลท่าขันนี่ไม่เป็นสมมูตรเป็นอะไรไปอรูปเวทนาสัญญาสังขารมิ ญ, ญาณปเป็นตัวสมมติทั้งมวลจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่สมมุติจะไปทําลายกันได้อย่างไรไปทําให้จิตใจหวันไหววุ่นวายได้อย่างไรเมือ่อจิตก็เป็นหลักธรรมาชาติของนิมุตติกิจแล้วท่าขันก็เป็นหลักธรรมาชาติของเขาอยู่ตามธรรมาชาติอยู่นี้แล้วมันหลงกันที่ตรงไหนหยึดกันที่ตรงไหนรูปก็กองกระดูกรือ ดินน้ำหลงไฟมันอยู่ในนี่หลงมันอะไรดินน้ำหลงไฟเต็มไปด้วยแผ่นดินเป็นไปไปด้วยน้ําด้วยลมและไฟในโลกอันนี้บกพร่องที่ตรงไหนพอที่จะไปหลงในร่างกายที่เท่ากําปั้นนี้เท่านั้นอยู่ในนี้แบกมันอะไรนี่ถ้าสติปัญญาทันต้องทันอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยไม่ถามถามพระพุทธเจ้าถามท่านต่อใหม่ท่านแสดงไว้เรียบร้อยแล้วขอให้ดําเนินก้าไปตามที่ท่านสอนไว้นี้และรู้ตามนั้นแล้วไม่สงสัยพระพุทธเจ้านี้ผ่านแบบไหนไม่สงสัย ถ้าสาวกท่านนิพพานแบบไหนเอาอะไรมาสงสัยเมื่อเจ้าของไม่สงสัยเจ้าของแล้วเจ้าของรู้เต็มหัวใจแล้วเอาอะไรมาสงสัยนี่แหละเครื่องยืนยันอันนี้เองมันเป็นเครื่องกระเทือนโลกกระเทือนหมดบรรดาผู้ดิเจ้าทุกๆพระองค์และสาวกอรหันของพระผู้ดิเจ้าแต่ละพระองค์งคมีจํานวนมากแล้วกระเทือนไปหมดเพราะความจริงอันนี้ไม่มีประมาณเนี่ยนี่แหละที่เได้ชัยชนะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายท่านไม่มีปัญหาอะไร กับสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นเรื่องของห้องสมมุติท่านทราบไว้ก่อนหมดนอกจากทราบแล้วยังถอนอุปทานโดยสิ้นเชิงไม่มีเลยเหลือเป็นแต่เพียงว่าครองท่าครองขำรับความปิดชอบกันอยู่เพียงเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากนั้นเลยแล้วจะให้ท่านหลงอะไรนี่ระหว่างพระรหันกับปุถุชนเรากับผู้ที่ไม่รับการรวมเลยมันผิดกันราฟ้ากับบินผิดกันเึงขนาด น, นั้นนะ ความรู้ของเราที่เต็มไปด้วยกิเลสเราอยากเข้าใจว่ามันฉลาดความรู้ที่พ้นจากกิเลสแล้วว่าฉลาดไม่ฉลาดไม่ได้อยู่ในจุดนี้นอกเหนือไปหมดแล้วเพียงทาดขันทำไมจะไม่รอบเมื่อนอกเหนือไปหมดแล้วนั่นนั่นท่านไม่ทุกข์นะอากับกิริยาเหล่านี้แสดงเท่าไหร่ท่านก็รู้ท่านก็รู้เมื่อคลองกันได้ท่านก็ครองไปเมื่อคลองไม่ได้ก็ปล่อยลงตามความจริงของมัน หมดปัญหาความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงถึงเรียกว่าปรินิพานแล้วน่ดังพระอนุทะพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเวลาเข้าเสด็จเข้าชานใดชานใดพระอนุทะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องพระจาคิตวิชารู้จิตของคนอื่นแม้พระจิตขององค์สาสดาก็ไม่พ้นที่พระอนุทะจะทราบได้ว่าพระจิตที่บริสุทธิ์นั้น เสด็จเข้าชานใดชานใดจนกระทั่งออกจากสมมุติขันอันนี้โดยประการทั้งปวงชานก็เป็นสมมุติออกจากสมมุติเหล่านี้แล้วไม่มีคำที่จะพูดเพราะสมมุติไม่มีในจิตดวงนั้นผ่านแล้วพูดได้ยังตอนนี้ผ่านแล้วนั่นนั่นล่ะคือหมดปัญหาหมดความทุกข์ความเยื่อใย ความรับผิดชอบเสียทุกแย่ทุกมุมไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องพอที่จะรับผิดชอบอีกเลยขึ้นที่ว่าสมมุตินั่นท่านเรียกว่นนานิพานไม่ใช่ความล่มจมแห่งการนิพานไม่ใช่การสูญสิ้นแห่งการนิพานไม่ใช่การหมดหวังแห่งการนิพานสมบูรณ์เต็มที่แล้วทุกอย่างคือ น, นิพานไม่มีอะไรบกพร่องเลยคือ น, นิพานไม่มีเข้าไปยุแยก่อควรคือนิพานนั่ น, น, นเมื่อมีขันยังได้ยินได้ฟังยังได้รับทราบ Mm. เมื่อขันสลัดออกไปหมดแล้วรับทราบกับอะไรอันขึ้นชื่อว่าเรื่องที่จะกังวลให้กังวลวุ่นวายให้รับผิดชอบไม่มีแล้วนั่นแหละท่านว่าสมบูรณ์เต็มที่คือนิพพานเอาให้เห็นที่นักปฏิบัติเมื่อเห็นแล้วจะถามใคร mm. แล้วกราบเองกราบพระพุทธเจ้าวิเศษขนาดไหนกราบเองเมื่อยอมรับธรรมชาติอันภาในจิตใจที่ว่าบริสุทธิ์เต็มที่แล้วหากกราบเองลงถึงเองเดียว เป็นก็เป็นตากระตายถวายชีวิตต่อพระองค์ท่านได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะหลักธรรมชาติอันนี้เหนือสิ่งใดแล้วพระพุทธเจ้าผู้สอนก็เหนือแล้วแล้วจะไปมอบการถวายตัวต่อสิ่งใดนอกจากต่อองค์ศาสด า, า, าผู้พาให้บุดพ้นเท่านั้นนั่นนี่แหละเรื่องความบุดพ้นจากความเกิดตายเป็นยังเป็นยังไงร่วมจมใหม่พิจารณาสิเรื่องตะเกียกตะกายอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเหมือนถูกไฟเผาต่อเวลานี้มันดีแล้วเหรอ มันทุกอะไรบ้างทุกวันนี้ไม่ใช่ทุกเพราะสิ่งเหล่านี้เหรอสัมผัสสัมพันธ์การคาดการหมายยุ่งเหยงิงวุ่นวายมีแต่ลสิ่งก่อควรสิ่งก่อขวนันี่หรือพาคนได้รับความสุขความสบายทุกวันนี้นอกจากพายเป็นปืนไฟเผาล้นตลอดเวลาเหมือนกับฟุตบอลกลิ้งโน้นกลิ้งนี่อยู่เท่านั้นมีอะไรเราหาดูสิถ้าว่าธรรมุนเจ้าเป็นโมฆะเอาให้เห็นสิวะเป็นยังไงอะไรเป็นโมฆะแท้สิ่งเหล่านี้เราตะเกียกตะกาย วุ่นวากับมันเท่าไรแล้วได้อะไรกับมันนี่มันเป็นยังไงอันนี้อ่ะมันเป็นโมฆะไหมใครก็ตะเกียกตะกายแทบเป็นแทบตายไม่มีวันอิ่มวันพอจนกระทั่งจะหมดลมหายใจแล้วยังตะเกียกตะกายอยู่ทั้งทั้งที่มันก็ไม่ได้อะไรเป็นเครื่องตอบแทนเลยนอกจากความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นภาในจิตใจเท่านั้นมันก็ยังตื่นลมตื่นแางไปหัวใจมนุษย์ที่เป็นไปด้วยกิเลสนี้เป็นอย่างนั้นนะ่ะฟังใช เรื่องของกิเลสเป็นยังไงมันพาคุณให้ดีเพืดีไหมเราเอามาสอนเราในะการพูดเหล่านี้พูดเพื่อนําอุบายเหล่านี้เข้าไปสอนตนต่างหากนะไม่ได้สอนเพื่อดูเพื่อด่ามากเก่าหรือเห็เนค่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อยื่นอุบายให้เท่านั้นให้นําอุบายเหล่านี้เข้าไปพร่ำสอนตนเองให้มันเกิดความฉลาดขึ้นมาเมื่อทําเป็นความฉลาดขึ้นมาแล้วกิเลสมันฉลาดขนาดไหนมันก็ตามกันทําเมื่อ ทำไม่มีความฉลาดพอมันแล้วมันหลอกใต้วันดังคำผู้ลุงกี้กลับกี่กันไม่มีวันอิ่มพอไม่มีใครจะเบื่อหน่ายพอที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความเบื่อหน่ายนั่นเลยถ้าไม่ได้อัดทําเป็นเครื่องพินิจพิจารณาแล้วเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาด้วยอดุ้ธรรมนั่นแหละมีทางไอ้เบื่อหน่ายเฉยๆมันก็เพิ่มทุกข์เข้าไปอีกเพราะไม่ใช่เบื่อหน่ายด้วยธรรมเนื้อยากตายเสียตายเข้ไปมันมันวิเศษวิโสอะไรคนตายสัตว์ตายเต็มแผ่นดินอยู่ใครวิเศษวิโสจรจิงอยากตายกัน นี่มันโง่ขนาดนั้นมนุษย์หรอกพี่นาดเเอาให้เห็นชัดๆเจ้าของนี่เมื่อเห็นชัดประจับภายในกิจใจแล้วมันจะไม่มีอะไรสงสัยเลยภายในใจมีาการกล่าวถึงเรื่องพระอรหันต์ท่านนิพพานท่านตายเป็นยังไงตะกี้นี้นั่นแหละท่านเป็นอย่างนั้นแ่ะผิดกับพวกเราทั้งหลายด้วยเหตุ น, นี้ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านท่านสแสดงดังที่ได้เขียนไวในประวัติว่า พระอรหันต์ทนิพพานท่าต่างๆกันนะเรายอมรับเลยทั้ ง, ท, งทั้งตัวเท่าหนูเนะีก่ก็ตามยอมจริงๆบางองค์ยืนนิพพานฟังสิบางองค์นั่งนิพพานบางองค์นอนนิพพานบางองค์เดินนิพพานางั่นฟังสิท่านทําไมยัง ท, ทาได้คนทั้งโลกนี้ทําได้ไหมมิจะดิ้นดนกวนกว歪อยู่ตลอดเวลาหาสติสตังไม่ได้เท่านั้นเรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นทีนี้เรื่องของทำล้นล้วน ใจที่บริสุทธิ์ด้วนๆเป็นยังไงผิดการหมายก็สิ่งเรื่องความตายมันก็เป็นเวทนาของมันอันหนึ่งในธาตุในขันมันเหนือจิต ด, ดวงบริสุทธิ์นั้นได้ยังไงนั่นแหละจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหล ะ, หละเหนือสิ่งเหล่านี้ท่านจึงทําได้ตามหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์ของท่านไม่มีใครที่จะไปเทียบไปเทียงไม่มีใครที่จะไปกล้าให้คะแนนตัดคะแนนท่านได้หรอกนอกจากจะหาก บ, บาปหักกรรมมาไปยิงไปกล้าตัดคะแนนลดคะแนนหรือให้คะแนนท่านด้วยความ เข้าใจสำคัญผิดของตนหรือด้วยความสําคัญตนวัาชราะาทั้งทั้งที่งูจึงจะตายไม่มีใครเกินกิเลสครอบหัวใจล่ะพาคนให้งโงู้พาศาสนโงูถ้ากิเลสออกมูลแล้วเอาอะไรมางโงูน้นี่ตรงนี้แหละคงที่เทียบเทียงกันได้อารยนาสิผู้ปฏิบัติทั้งหลายนี่ก็พยายามแนะนำสั่งสอนเป็นห่วงเป็นยายหมู่เพื่อนไม่ได้เหมือนอยู่คนเดียวนะต้องคิดต้องหลายแง่หลายกระทงหมู่เพื่อนความเป็นอยู่ด้วยกันเป็นยังไงบ้างก็ต้องได้คิด ได่สอนด้วยแทรกได้พินิจพิจารณาไปหมดไม่อย่างนั้นไม่ได้การสอนหมู่สอนเพื่อนการรับหมู่เพื่อนไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนอะไรไม่ดีไม่งามก็ต้องเลยแนะนําสั่งสอนต้องได้ดูได้แนวอย่างนั่นแหละแล้วลทางด้านจิตใจเ่าเป็นยังไงก็ต้องอบรมสั่งสอนกันเพื่อให้รู้วิธีการดําเนินด้านที่เป็นอย่างนี้แหละประชุมแล้วก็ประชุมประชุมสอนอยู่อย่างนี้จะว่าไงการทําอย่า ง, น, าา ง, งา น, นี้มันเป็นความสุขเมื่อไหร่ การอยู่ธรรมดาธรรมดาตามท่าตามขันของตนนั้นมันพอดีแล้วกับแบกขันอันนี้ถ้าเอาอะไรมาเพิ่มอีกมันก็หนักเข้าไปอีกอืมการรับภาระด้วยการแนะนําสั่งสอ น, งา น, ง, านงานนั้นงานนี้นั่นนะเป็นการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ก็ยอมรับเพราะความเห็นใจของหมู่ของเพื่อนไม่ว่าแต่ท่านจะเรามีความรู้สึกเหมือนเหมือนกันก็ต้องเอานั้นมาเทียบมาเทียงแล้วถูไถกันไปนี่นะขอให้ทุกๆ ท, ท่านได้มีแก่กิจแกใจที่จะบําเพ็ญตนให้ เป็นผู้มีความเย็นใจไม่มีอะไรเย็นยิ่งกว่าใจในโลกอันนี้ลงในจุดเดียวนี้เท่านั้นเป็นจุดที่สําคัญมากเย็นที่ตรงนี้ร้อนก็นร้อนที่ตรงนี้แหละฮิเลธพาให้ร้อนเย็นก็เย็นที่ตรงนี้ทํำปาให้เย็นเราแก้กันลงไปสิให้มันเห็นเหตุเห็นผลอย่างชาัดเจนการปฏิบัติยาให้นอกเหนือไปจากแนวทางที่ครูบาอาจารย์นำเนินมาคําว่าธรรมะพุทธเจ้ามินายพพุทธเจ้าพาดำเนินมานั้นบางรายเราก็จะไม่เห็น เรื่องอัดเรื่องทำท่านสอนไว้อย่างไรบ้างแต่ครูบาอาจารย์พาดาเนินนั้นพอรู้พอเห็นกันบ้างให้ยึดเอานั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เไว้เราอยากเข้าใจว่าเราฉลาดยิ่งกว่าท่านพาดําเนินมันจะเป็นความโง่หาที่ให้อภัยไม่ได้ตัวเองนั่นแหละจะให้อภัยตัวเองไม่ได้แล้วก็จมไปจมไ ป, มไปเพราะความสําคัญผิดทั้งตนนั่นไงให้พากันพิจารณาเดี๋ยวนี้เบาบางลงมากแล้วปฏิบัติพาเครื่องดําเนินมันหนักมีมองดูลนตามันก็รู้ มันทิ่มแทงตาฟังท้งหูมันก็ทิ่มแทงหูอากับกิริยาที่แสดงออกมามันมีแต่เป็นค่าศีลดของธรรมของธรรมในวงของผู้ปฏิบัติแล้วจะเอามาผลนิพพานมาจากอะไรสิ่งอันนี้เป็นความผิดพลาดเป็นเรื่องของเหตุทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมนี่ที่มันน่ามิจตกอันหนึ่งขอให้พากันพิจารณาเอาให้เห็นภากิตใจของเราตัวผิดมันก็อยู่ที่ตรงนี้เอาแก้กันลงไปที่ตรงนี้แก้ไม่ได้พระเจ้าไม่สอนให้แก้ฝึกทรมานไม่ได้พระเจ้าไม่สอนให้ฝึกทรมาน ท่านผู้ที่บุดพ้นไปแล้ววิเศษวิโสเหล่านั้นมีแต่ท่านผู้ได้รับการถูกผลอารมณมาแล้วทั้งนั้นได้ผลเป็นที่พอใจและพอพระไทยมาเต็มเม็ดเต็มหมน่วยแล้วจึงได้มาสอนเราธรรมะนี้ไม่ใช่ธรรมะโมฆะนอกจากคนผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นโมฆะสำหรับตัวเองเท่านั้นนั้นก็ช่วยไม่ได้จะทําไมเวลาเราเวลานี้เราไม่ได้ตั้งหน้าต่งตางๆมาเป็นโมฆะสำหรับเราหนึ่นะเราตั้งหน้าต่งตางๆมาเพื่อจะบรรจุธรรมเข้าสิตใจให้เต็หมหัวใจแล้วไปอย่างหายห่วง ไม่มีอะไรเลือกเลยยิ่งกว่าใจที่ไปด้วยความหายห่วงนี่เป็นตัวสำคัญอันสำคัญอยู่ที่ตุงนี้การปฏิบัติต้องให้เป็นผู้พร้อมเสมอเช่นเดียวกับเขาก้าวขึ้นสู่เวทีนี่สำคัญก้าวขึ้นสู่เวทีที่ต่อกรกันแล้วใครจะไปเพลิเลยนเอเพลดเลินเพลิดเพลินจะ ก, กีดอยู่ได้ถูกนอกตายเลย นี่ก็เหมือนกันเราเก้าเข้าสู่เวทีมาพุทธปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีมีสง่าราศีเป็นอย่างน้อยเพื่อความร่มเย็นเป็นจุดภายในใจเป็นอย่างน้อยเพื่อความหลุดพ้นทุก์เป็นจุดสําคัญสําหรับเราที่จะไม่ให้มีอะไรติดพันขึ้นชื่อว่าสิ่งที่บีบบังคับภายใ น, ในใจิตใจแล้วนะให้เหลือแต่เอกกิจเอกธรรมล้วนๆเป็นอิสระเต็มตัวการประกอบความเพียรจริงต้องในเข้มข้น ให้ถึงขั้นถึงภูมิที่ควรจะรู้จะเห็นยังไงก็ปิดไม่อยู่เรื่องเหล่านี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้พิสูจน์ได้ชาวบ้านชาวเมืองเขาเขาไม่มีทางที่จะปฏิพิสูจน์ได้ในเรื่องความทุกข์ความลําบากระหว่างกิเลสจะทำต่อสู้กันผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบและวิธีการที่จะหลบหลีกต ล, ลีกตัวหรือหลบหมัดหลบเพลงต่อยของกิเลสก็เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะพึงสังสมนึก รีบเร่งขวนขวายสติปัญญาศรัทธาความเพียรตนให้แก่กล้าสามารถขึ้นไปเพื่อทันกับพลมียาขอ ง, งกิเลสจนกระทั่งถึงเอากิเลสให้ม้วนเสือลงไปเห็นประจกักษ์ภายในจิตใจมีผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นเป็นสําคัญมากนี่เราก็เป็นผู้ปฏิบัติมิใช่หรือหรือเป็นอะไรเราไม่ต้องกลัวเราจะไปคาดอดีตอ น, นาคตเข้ามายุ่งเอย่างมุนบายนะถ้าคาดมาเพื่อเป็นผลลบยาอส่วนมากมักจะเป็นผลลบ ค่าประทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เป็นผลลบค่าปรอนาคตก็เป็นผลลบผลลบมาเป็นค่าศึกต่อตัวเราเองคือจิตใจนั่นแหละมันสร้างเหตุการณ์ขึ้นด้วยวิธีต่างๆแล้วก็มาอัดอั้นตันใจตัวเราเองเป็นทุกข์ในตัวเราเองเพราะความม่รับผิดในเหตุการณ์ที่จิตชิดขึ้นนี่สําคัญเพราะฉะนั้นจึงต้อ ง, งระงับอนาคตยังไม่มาถึงอย่าไปยุ่งอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านมาแล้ ว, นลวหนักเบาขนาดไหนผ่านมาแล้ว ปัจจุบันนี้กิจเป็นยังไงเวลานี้เนี่ยมันคิดเรื่องหาเรื่องอะไรหาเรื่องอันใดมาอายุหญ่ก่อกวรเราให้เกิดความทุกข์เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาและเหมือนอยังมันจะเป็นไปข้างหน้าอีกถ้าเราไม่รอบครอบในปัจจุบันนี้แล้วข้างหน้านตัวนี้แหละตัวที่จะไปก่อเหตุก่อเคาะกรรมาทั้งหลายให้เราได้แบกได้หามอีกเราต้องพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์ของของกิจนี่แหละชื่อว่าผู้ประกอบความภาคเพียรนะเมื่อถึงขั้นเผลนแล้วยังไงก็เผลอ ถึงขั้นต่อสู้ตะเกียบตะกายก็ต้องตะเกียบตะกายทกุก็ยอมรับว่าทุกเอาแตถึงเป็นถึงตายก็ตายด้วยความภาคเพมิใจเป็นอะไรไปตายอย่างอื่นโลกตายกันเกลื่อนหมดหม ด, ห, มดหาช่องว่างมาได้เลยว่าไม่มีปา่าช้าของสัตว์แม้ที่สุดในร่างกายเรานี้ก็มีปา่าช้าของสัตว์เต็มไปหมดภายในนีว่าไงไเราจะไปอะไรกับตายเอาให้มันเห็นในสนามลบนี้ผู้ปฏิบัติต้องให้เป็นอย่างนั้น กินให้จังให้เด็ดให้เดียวในอันใดที่เป็นผลบวก<ม>ให้เด็ดเดียวอันใดที่เป็นผลลบอยาอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวกกอกให้เชื่อศาสดาศาสนาทรงดําเนินมาแล้วสิ่งใดที่ควรกล้าให้กล้าสิ่งใที่ควกลัวอย่าหานให้ให้กล้าตามตามครูกลัวตามครูแล้วจะเห็นสิ่งที่พึงหวังดังที่ครูสอนไว้ทุกแ ง, ง, ง่ทุกมุมนี่แหละการแสดงธรรมเห็นม่าสมควร มีเปลี่ยนแค่นี้ในหน่อยแล้ว